หนึ่งและสุนวั์ศิขาบทที่10ว่าด้ยวยการดูการขับร้องฟ้อนรำเรื่องพิกษณีชพักคี833สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยือกแก่กระแตเกตกรุงราชครืกครั้งนั้นมีงานมหรสบพบนยอดเขาพวกพิกษณีชพักคีพากันไปดูมหรสพบนยอดเขา พวกชาวบ้านจึงตำหนิประนามพลท น, นาว่าฉณะที่พวกพิกุณีจึงไปดูการฟ้อนรำบ้างการขับร้องบ้างการประคมโดนตรีอยู่บ้างเหมือนยิงกระหัสผู้บริโภคการเล่าพิกุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามพลท น, นาบัรดาพิกชณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประน า, นามพลท น, นาว่า ขนะพิกษณีชัพักีีจึงไปดูการฟอนดรำบ้างการขับร้องบ้างการประโคมดนตรีบ้างเหมือนหญิงขะหัดผู้บริโภคกรรมเล่าครั้นแล้วพิษุณีเหล่านั้นได้นาเรื่องนี้ไปบอกพิสษุทั้งหลายให้ทราบพวกพิสษจจึงได้นาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ